คนจีนมาเม่อไหร่กี่วันนะครับนีสองรอยคนสองรอยสองคอสจีนคนเพิ่มขึ้นเยอะเหลือเกินเรารับได้ไม่หมดนะ ยังเหลือยขนาดเก็บค่าใช้จ่ายนะเก็บค่ า, ชาใช้จ่ายคนจีนเดี๋ยวนี้รวยมันไม่ได้เขาไม่ได้จนมันสมัยโบราณสมัยก่อนตอนหลวงพ่อเด็กๆนะคนจีนในเมืองไทยทำงานส่งเรียกโวย์ควรส่งเงินไปช่วยที่เมืองจีน ธรรมาเป็นของกลางไม่มีของชาติไหนเป็นของกลางของโลกพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาก็เพื่อประโยชน์ของสัตว์โลกทั้งหลายของเทวดาและมนุษย์ส่วนให่ถ้าอยเน้นเทวดาและมนุษย์เทวดามีเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงเทวดาก็ต้องเกล่งใจ หลบหลบเลี่ยงเลี่ยงมีก็คือมีไม่มีปัญญาตรวจสอบเองก็ช่วยไม่ได้ไม่เห็นต้องหลบหลบเนี่ยลงพ่อไม่ให้สงสัยที่วิดญาณมีไม่มีเราภาวนาไปเรื่อยๆนะเราไม่จะเห็นในใจเราเนี่แหละสร้างพบสร้างชาติตลอดเวลา ใจเราเป็นกุศลเราก็สร้างพบที่เป็นกุศลขึ้นมาใจเราเปน็นอกุศลเราก็สร้างพบที่เป็นอกุศลขึ้นมาแม้นสวรสด์ไม่มีวันเต็มนรกก็ไม่มีวันเต็มมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์เต็มเพราะมันใช้วัตถุมันได้ใช้จิตไม่ใช่จิตสร้างสร้างเท่าไหร่ก็ไม่เต็มที่พวกไม่เชื่อ ก็ช่วไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรมีเสรีภาพมีสิทธิที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่สัจจะคือสัจจะไม่เกี่ยวกับความเชื่อของคนความจริงไม่เกี่ยวกับความเชื่อบางคนเชื่อแต่ฟิสิกเชื่อฟิสิกก็ดีกว่าเชื่อผู้ผีปีศา เพีงยงแต่ฟิสิกส์นยังไม่สมบูรณ์ยัพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ในจิตเป็นพลังงานเมื่อก่อนมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งมาบวชเขาศึกษาอยู่ช่วงหนึ่งกับหลวงพ่อนะเขาบอกได้ว่าจิตเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแยกชนิดของพลังงานเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแยกได้ หลวงปู่ดูลท่านเคยสอนบอกว่าต้นเหตุให้เกิดรูปนามของจักรวาลเป็นเหตุให้เกิดพและดวงดาวต่างๆนับไม่ถ้วนเพราะไม่มีที่สิ้นสุดรูปมันดึงดูดซึ่งกันและกันทำให้เกิดความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงและการเวลารูปจะเคลื่อนไหวได้เพราะมีนามคือความว่างมาคั้นระหว่างรูป ถ้าไม่มีช่องวางคันมันจะเคลื่อนไหวไม่ได้เรีกพู้เท่าไม่ได้เรียนหนังสือนแล้วท่านก็บอกว่าจากรูปนามของสิ่งที่ไม่มีชีวิตพัฒนามาสู่ความเป็นรูปนามของสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีจิตวิญญาณรูปนามของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณพัฒนาให้มาเป็นรูปนามของสิ่งมีชีวิต ที่มีจิตวิญญาณท่านพูดถึงทฤษฎีการเกิดของสัตว์ไม่มีเทวดาที่ในสร้างเป็นเรื่องมีวัตถุขึ้นมาวัตถุมันสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ในสัตว์เมื่อแรกเกิด มักจะทําแต่คำชั่วอะไรเงี้ยมันเกิดมามันก็กินซึ่งกันและกันมันไม่รู้จะกินอะไรมันกินกันเองแล้มันก็สะสมความชั่วลงไปหลวงปู่ดรียกเป็นรูปปรมาณูกรมมันกลมๆอะไรเงี้มันหมุนพวกเราภาวนาเคเห็นไหมมันหมุนอยู่กลางอกเวลาใจเราชั่วมากๆมันเข้มแข็งมันใหญ่รู้สึกไหมเข้มแข็งหมุนเร็ว ใจประนีตหมุนเบาลงเบาลงนึวัตะหมุนเวียนยสะสมไปทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีก็พาให้เกิดกรรมชั่วก็พาให้เกิดสัตว์มันทำกรรมเราก็ท่้นก็สอนไปเรื่อยๆนะเชกระทั่งวิธีปฏิบัติจนกระทั่งพ้นจาก เไวียนว้าตาเกิดท่านบอกเหตุต้องละผลต้องลาใช้นี่ก็หมดผลเหตุเกิดเหตุต้องละอะไรเป็นเหตุเหตุมีหกอย่างโลภะโทสะโมหะอะโลภะอะโทสะอะโมหะนี่คือเหตุหอย่างเหตุทั้งดีและชั่วนะถึงจุดหนึ่งต้องละ อย่างถ้าเราทํากรรมดีแต่เราเมาในกรรมดีติดในกรรมดีเราก็ยังเกิดอีกเกิดในภพภูมิที่ดีเราทํากรรมชั่วนะเราก็ไปเกิดในภพภูมิที่ชั่วเมื่อไหร่พ้นจากการกระทํากรรมเมื่อนั้นก็พ้นจากการเกิดจิตที่พ้นจากการกระทํากรรมจิตของพระอรหันต เท่านั้นจิตคนอื่นยังก็ะทำกรรมอยู่จิตพระรหันต์เนี่ยทางานเป็นกลิยาไม่ใช่เป็นกรรมเป็นแค่กลิยาไม่เจือด้วยความจงใจอันเกิดจากเหตุทั้งหอย่างนะทั้งเลวทั้งดีจุดนั้นเป็นจุดที่จะถึงที่สุดของทุกได้ เหตุต้องละถ้าเหตุพูดให้หยาบขึ้นมาหน่อยมันคือตัวตัณหาต้องละเนื่พระพุทธเจ้าบอกว่าสมุทัยต้องละคำว่าเหตุก็คือคำว่าสมุทัยนะั่นเองเหตุต้องละหลวงพูดโดูลบอกผลต้องละใช้คนต้องละใช้พระสานวนของท่านผลต้องยอมรับ อย่างเราเกิดมามีหน้าตาอย่างนี้มีเหตุคือกรรมสร้างรูปอันนี้ขึ้นมาเรียกรรมมัชรูปกรรมสร้างรูปอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อเป็นรูปของมนุษย์อายุของรูปมนุษย์มีลิมิตมีขอบเขตงั้นขนาดพระพุทธเจ้าบุญบารมีสูง แต่เกิดมาเป็นมนุษย์อายุขัก็มีอยู่เท่านี้แหละไม่มากกว่านี้ประมาณร้อยปีคนในยุคพุทธกาลประมาณร้อยปีถ้าจะเรนอิทิบาทก็อยู่ได้ไม่เกินสองร้อยปีในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งเกือบเกือบสองร้อยปีมียุค ข, ของเราใส่เกณฑ์ไหมขนาดยุคหลังๆ ล, ลงมนะัน พระอายุมากมากเยอะนะนี่ครูบาอาจารย์สิ้นไล่ๆกันมาหลายองคนะ์แล้วต้นปีหลวงปู่บุญมีปู่บุญมีลูกศิษย์ชั้นแรกๆของหลวงตามหาบัวเลยเป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนตลราระหลงปูรีใช่ไหมหลวงปุรีอายุต้องเกือบร้อย สมเด็จวัดสัมพันธวงศ์ก็ร้อยร้อยปีกับสิบเดือนสิบสามวันท่านตายชาไปสามวันนะั้นงั้นเท่มากเลยสิบสิบสิบหมดเลยร้อยปีสิบเดือนจะไปสิบสามวันหมอเก่งเกินไปล่าสุดในหลวงปูญญ่บุญยริศ ร้อยสี่ปีท่านเหล่านี้จิตท่านดีแล้วถ้าไม่มีกรรมบิดเบีนท่านก็อยู่ได้นานหน่อยแต่าบางองค์ภาวนาเก่งนะแต่กรรมบิดเบียนท่านก็ตายเร็วบางองค์ไม่เคยได้บวชเลยกี่ภพกี่ชาติที่ผ่านมาไม่เคยได้บวชเลยตายก่อนที่จะถึงยี่สิบทุ ก, ท ก, ท ก, ท ก, ทกชาติเลย มีนะเป็นเรื่องของกรรมท่านเคยเกิดเป็นเสือฆ่าสัตว์เยอะกรรมก็ตัดร้อนไม่ได้ปวดตายเร็วท่านพ่อรีเป็นนักรบอายุห้าสิบกว่าปีสิ้นเพราะนาดีก็หนีกรรมไม่ได้ ไม่มีใครใหญ่กว่าคำพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆทาไมต้องถ่ายเป็นเลือดนิพพานเขาถ่ายเป็นเลือดทำไมต้องเป็นนั้นเขาก็มีบากมีกรรมเคยเป็นหมอแล้ววางยากคนต้องรับมีบา้ยกรรมนะจัดสรรมาให้เรา ได้ร่างกายอย่างนี้ได้จิตใจอย่างนี้ก็เป็นผลของกรรมอย่างเราสะสมกรรมฐานของเรามามาเกิดใหม่นะเรา้านาง่ายก็เรื่องของกฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดหรืออย่างพวกเราเป็นคนส่วนน้อยในโลกคนในโลกมีตั้งหลายพันล้านที่มีโอกาสได้ฟังธรร ม, มะมีนิดเดียว คนเมืองไทยมีโอกาสฟังธรรมะแต่ที่สนใจจะฟังธรรมะก็มีนิดเดียวน้อยลงไปอีกฟังธรรมะแล้วเกิดความตั้งใจจะปฏิบัติยิ่งน้อยลงไปใหญ่เหลือนิดเดียวกระทั่งในห้องนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัตินี่ถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วปฏิบัติให้สมควรจะทำปฏิบัติให้เต็มฝีมือเลยยิ่งน้อยลงไปี เพ้คนที่บรรลุมาผลมันมีน้อยไม่ใช่เพราะใครกําหนดเรากําหนดของเราเองเราสะสมของเราเองเมื่อเราท้อแท้เราขี้เกียจเราไม่ใส่ใจเราก็วนเวีนไปยุติธรรมยุติธรรมที่สุดบางทีเห็นคนทําชั่วนะไอ้เออนึกเลยถ้ามึงตายไม่แพ้ส่วนบุญให้ พมันตายจริงๆสงสารมันอีกละต้องไปนั่งแผลให้มันแผลยากกว่าคนที่ดีๆซะอีกนะพวกชั่วๆเนี่ยรับไม่ค่อยได้หรอกอย่ารอรับส่วนบุญคนอื่นอย่ารอรับส่วนบุญที่คนอื่นเขาให้ไม่แน่นอนทำเองสร้างของเราเองอยากมีปัญญาก็ต้องภาวนาอยากมีปัญญาไม่ใช่ใส่บาตคนละเรื่องกัน อยากรวยก็ทำทานอยากสวยงามมีศีลอยากรู้เหตุรู้ผลเจริญปัญญาเจริญนิพพานาเหตุกับผลต้องตรงกันยามาใส่บาตรเอาผ้าไตรมาถวายหลวงพ่อแล้วอธิษฐานขอให้ได้มาผลอย่างเงี้ยอีกนานอีกนานก็ยังไม่ฉลาดเหตุกับผลต้องตรงกัน ปลูกมะม่วงก็ได้ลูกมะม่วงปลูกข้าวก็ได้ข้าวทำอะไรก็ได้อ น, นั้นแหละงั้นอยากพ้นทุกข์นะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเข้าจะพ้นทุกข์ได้ศีลต้องดีสมาธิต้องดีปัญญาต้องดีอยากเวียนไว่ายต่เกิดไปในภพภูมิที่ดีทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิไป ไม่ต้องเจริญปัญญาก็าจะได้ไปในภพภูมิที่ดีได้สุติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพร่มได้แต่ไม่นิพพานอยากนิพพานต้องทำหิปัสสนาให้ได้หรือเราพอใจอยากไปอยู่ในอบายมีนะคนอยากไปอบายตั้งใจไว้เลยหลวงพ่อเคยเจอ ว่าเราใครเคยเจอไหมตั้งใจจะไปอบายมีหลวงพ่อเคยเจอหลายคนนะอธิษฐานทา บ, บุญแล้วอธิษฐานขอไปเกิดเป็นหมาฝรั่งหมาฝรั่งเป็นสัตว์แนอบายนะสัตว์ในอบา ย, ยภูมิทำไมอยากเป็นหมาฝรั่งไม่ต้องทํามาหากินถึงเวลาคนก็เอาอาหารมาให้กิน ถึงเวลาก็เอาพาไปอาบน้ำพาไปตัดผมเสริมสวยเนี่ยนี่หมาก็เสริมสวยหมาก็มีเครื่องสมอารหมาแมวนี่คนรู้สึกเป็นคนลาบากขอไปเกิดเป็นหมาเราจะสาธุเราก็พูดไม่ออกนะ <c oughs> ขอไปเกิดเป็นสัตว์จะได้ไหมทำบุญแล้วขอไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้ แต่ง่ายกว่านั้นทำชั่วไว้ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เร็วกว่าสัตวนะ์อีกอภัยภูมิสี่มีเปรดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกในสี่จำพวกนี้พวกไหนแย่ที่สุดใครว่าสัตว์นรกยกมือถ้าไม่ใช่แล้วมันตัวอะไรอะ่ะ สัตว์รัจฉานแย่ที่สุดสัตว์เดรัจานไปด้วยอํานาจของโมหะสัณโรกไปด้วยอำนาจของโธสัตว์โมหะเป็นกิเลสที่มีโทษมากที่สุดงั้นสัตว์ไม่รู้ดีรู้ชั่วพัฒนาตัวเองไม่ได้สัณโรกมันตกต่ําสุดขีดแนละ้วต่อไปไม่จะขยหยบขึ้นมาได้ ในขณะที่สัตว์เดรัจฉามากจะตกลงไปอีกยุคนิสสัตว์เดรัจฉานที่เป็นโพธิสัตว์มีไม่ใช่ไม่มีสัตว์เดรัจฉาเป็นโพธิสัตว์บางตัวนี้จิตดีกว่าพวกเราอีกแต่ว่าขณะที่ตายในชาติก่อนนี่นะพลาดไม่ใช่ไม่พลาดพระโพธิสัตว์ยังตกนรกได้ เนกรรมนะพาเราเวียนไหวไตเกิดไปเราอยากพ้นจากความเบียนไหวใตเกิดคืออยากพ้นจากกองทุกข์เราต้องยกระดับจิตวิญญาณของเรายกระดับไปนะวิธียกระดับจิตวิญญาณก็คือไม่ทําบาทปทำปวงทํากุศลให้ถึงพร้อม สิ่งที่เป็นกุศลคืออะโลพาอะโทสอาอะโมหะนี่นเรียว่ากุศลอโลพาไม่โลภก็ไม่อยากได้ของคนอื่นตื่นตื่นขึ้นมาคือไม่อยากไม่เอาของคนอื่นอากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีสัมมาอาชีวะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่โกรธไม่โกรธคือเมตตา ให้ใจเราคุณเคยกับเมตตาไว้เมื่อสามสิบปีก่อนครูบาอาจารย์หลายองค์สมัยนั้นครูบาอาจารย์ยังมีเยอะสามสิบกว่าปีก่อนทลวงพ่อเคยเข้าไปหาครูบาอาจารย์อยู่โน้นนั่งเล่นๆอยู่กับท่านที่ท่านก็เผลยเผลอข้มาบ่าเออเราดูแล้วหลังๆนี้สัต์นรกขึ้นมาเกิดเยอะเหลือเกิน แต่เดิมพวกเราอยู่ที่อินเดียคนมีบุญวาสนานนะั้ที่เกิดที่อินเดียตมาคนที่ลำบากสัตย์ที่ลําบากนะี่ขึ้นมาที่นั้นเยอะเพราะว่าอะไรลัศมีของคนที่มีบุญมันแผ่ภัยศารกว้างขวางสัตย์ที่มาเกิดเนะี่ยมันเห็นมันยังมีบุญอยู่บ้างไม่เห็นก็ขึ้นมาขึ้นมาเต็มเลย พวกเราอยู่ไม่ไหวแล้วก็หนีมาอยู่เมืองไทยตอนเนี้ลัทธิมีบุญได้ถึงดูดสัตว์นรกขึ้นมาเป็นจนํานวนมากต่อไปจะร้อนร้อนแผ่นดินนี้จะร้านร้อนอยู่ยากเขาอยู่กันได้พวกเดียวกันก็อยู่ด้วยกันพวกเรารีบภาวนาเอาตัวรอดไป อย่าอยู่กับเขาเลยอยู่ยากมันจะเบียดเมียนกันรุนแรงท่านว่าอย่างนีน้จริงเปล่าเราก็ไม่รู้เราไม่มีริอย่างท่านแต่ดูแล้วมันก็โหดร้ายดูเดิดขึ้นทุกที่ทุกที่อาจจะเป็นเพราะเราแก่ลงก็ได้คนแก่แล้วเห็นอะไรมันไม่มีแรงจะต่อสู้นะมันก็เลยรู้สึกโลกนี้รุนแรงเกินกว่าจะสู้แล้วลงพ่อเนี่เข้าขั้นผู้สูงอายุแล้ว เวลาไปสถานที่บางแห่งที่เขาเก็บค่าผ่านประตูเนี่ยเขางดเป้นไม่เข้าขายชลาภาพแล้วคุณแม่ก็นั่งรุ้นเดี๋ยวปีหน้าจะเข้าไปตามอุทยานแห่งชาติไม่เสียสตังค์แล้วหกสิบกำลังที่จะต่อสู้ของเรามันไม่มี รู้สึกว่ามันรุนแรงเรื่องจริงๆมันจะไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่แต่เราไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราเคยเกิดมาในยุคที่คนทำไรทํานาอะไรเงี้ยทามาหากินไม่ซับซ้อนเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่รู้หากินอ่ะต่ไปหุ่นยนต์มันจะทํางานแทนคนใช่ไหมเราไปหากินทางไหนนึกไม่ออกแต่คนรุ่นใหม่มันก็คงมีหนทางของมันเอง ทำงานภาคบริการรับใช้หุ่นยนต์ี่เราไม่รู้จักสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นงั้นตามหลักของฌานดาวพินเราควรจะสูนพันไปเราไม่สามารถเกิดต่อไปได้เราอยู่กับมันไม่ได้แนะวิธีธรรมหากินที่พวกเรารู้จักมันหายไปหมดแนละ้ว อย่างเมื่อก่อนทนําหนังสือขายขายได้บางยุคนังขายทําหนังสือขายได้เงินหมุนเวียนเยอะแยะเดี๋ยวนี้คนไม่อ่านหนังสือเป็นเล่มๆพวกกิจการกระดาษเคยส่งเสริมให้คนปลูกอยู่คาเต็มประเทศเลยตอนนี้กระดาษขายไม่ออกคนไม่ค่อยใช้กระดาษอันนียแค่นี้มันก็เปลี่ยนบริษัทใหญ่ๆ ทำกล้องถ่ายรูปใช้ฟิล์มเจ๊งหมดแล้วอยู่ไม่ได้ถ้าปรับตัวได้ก็คือเอาเลนด์ดีๆมาต่อกล้องดิจิตอลยังไงก็ดิ้นรนไปธุรกิจน้ํามันต่อไปอาจจะไม่ต้องใช้น้ํามันไม่ต้องใช้น้ํามันมีน้ํามันก็ไม่แน่ว่าจะรวยต่อไป ตัวอย่างมันเปลี่ยนการค้าขายเคยเปิดร้านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดร้านกระทั่งจะตามเก็บภาษีอย่างปวดหัวเลยเก็บยังไงต้องไปเก็บผ่านธนาคารต้องหาวิธีใหม่ๆคนส่วนหนึ่งปรับตัวได้คนจำนวนมากปรับตัวไม่ถูกตัวไม่ได้ สังคมนี้เปลี่ยนรวดเร็วนะเปลี่ยนเร็วความเครียดมันก็จะเยอะความถูกจะมาเยอะถ้าเรามีสติปัญญาเราฝึกกรรมฐานของเราไปฝึกเรื่อยๆไปเดี๋ยววันหนึ่งเราไม่ต้องอยู่กับเขาแล้วทุกวันนี้ก็อยู่เป็นกนต่อไปเราพ้นไปนี่หมดแล้วก็ไม่ต้องเกิด น, นี่อะไรนี่กรร ทำกรรมใหม่ไปเรื่อยๆนะที่ดีกรรมชั่วไม่ทำทำกรรมใหม่ที่ดีแล้วก็ตัวสำคัญที่สุดฝึกจิตให้ผ่องแผ้วใช้ศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยขัดเก่าจิตไปเรื่อยๆถ้าลำพังไม่ทำชั่วทำดีแต่จิตยังไม่ได้รับการพัฒนาพอนะ่ยยังเบียนไม้ต่เกิดอีกงั้นเราละความชั่วไม่ทำ บามากุศลนิดหน่อยก็ไม่ทำกรามดีมีโอกาสทำก็ทำแต่จุดสําคัญคือชำระร้างใจของเราให้สะอาดหมดจดไม่เคยมีศีลก็มีซะไม่เคยฝึกให้ใจตั้งมั่นคือมีสมาธิที่ดีก็ฝึกซะไม่เคยทำวิปัสสนากรรมาฐานก็ทาซะการทำวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องยากอันแรกเลยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว มีจิตใจที่อยู่กับตัวเองไม่จิตใจร่องรอยไปแล้วอยู่กับตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่เคร่งเครียดไม่ใช่ทําใจให้เครียดเครียดขลึมขุมแข็งแข็งนิ่งนิ่งอย่างนั้นมันใจที่ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วใจของคนธรรมดานี้แหละเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวไ้ายเรียนรู้มันไปใช้ใ จ, ใจธรรมดาที่รู้เนรู้ตัวใจของมนุษย์ ไม่ใช่ใจของสัตว์ไม่ใช่ใจของเปรตใจของเปรตคือใจที่โลภอย่างเราพอนาแล้วเราอยากได้มักได้ผลนี่ใจเปรตนะภานาไม่ได้เพื่อจะเอาอะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงของกายเพื่อจะได้เห็นความจริงของใจเท่านั้นแหละเมื่อเห็นแล้วมันละความยึดถือของมันเองไม่ใช่เาราละเราทำไม่ได้ เราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองไปอย่าให้ใจมันล่องลอยไปที่อื่นอย่าลืมตัวเองสนใจตัวเองให้มากๆเรียนรู้มันสนใจแล้วก็ไม่ได้ไปบังคับกายบังคับใจนะแต่เรียนรู้มันรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นอะไรกายนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแนี่เรียนให้เห็นความจริงคือความเป็นไตรลักษณ์อนิจจงทุกขังอนัตตาของกายของใจอนิจจงหมายถึงสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันก็ไม่มีมันหมดไปสไปิ้นไปเรียกว่านิจจั์ทุกขังหมายถึงสิ่งซึ่งกําลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มี สิ่งซึ่งกำลังมีเนะี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปอนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายจะมีจะตั้งอยู่หรือจะหมดสิ้นไปเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งสิ่งทั้งหลายเป็นไ ป, น ป, นปนตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าใจยอมรับความจริงตรงนี้แล้วนะใจจะหมดความดิ้นรนจะไม่ดิ้นไปด้วย ความชั่วนะด้วยเหตุฝ่ายชั่วจะไม่ดิ้นไปด้วยเหตุฝ่ายดีความดิ้นรนกระทั่งจะอยากได้มาผลนิพพานยังไม่มีเลยความดิ้นรนอยากได้มาผลนิพพานนั้นเป็นกุศลนะเป็นฝ่ายดีนะยังไม่มีเลยมันใจมันจะหมดความดิ้นรนใจหมดความดิ้นรนใจก็ไม่มีที่ไปเกิดต่อ สิ้นเหตุผลที่มีอยู่ก็ดับไปชดใช้ไปอย่างพระระหันเนี่ยทำลายเหตุหมดแล้วแต่มีชีวิตอยู่อีกช่วงหนึ่งบางองค์อยู่ตั้งยาวอย้ยอยู่เป็นร้อยร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเหตุเก่าที่ทำให้ได้ตั้งกายนี้ยังไม่หมดพอเหตุนั้นหมดกำลังสิ้นสุดแล้ว ก็ไม่มีขันต่อไปสิ้นขันสิ้นขันคือสิ้นถูกนะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเป็นเรื่องน่าเบิกบานที่สุดเมื่อสิ้นขันคือสิ้นถูกฝึกไปเรื่อยๆนะถ้าเราจะดูจิตก็มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปมีญาณเห็นจิตหมายถึงไม่ใช่มีแค่สติต้องมีปัญญาด้วยคือต้องเห็นใจรัก แล้ววิธีเห็นไตรลักษณ์ของจิตก็เห็นเหมือนตาเห็นรูปตาเราไม่ได้บังคับรูปรูปเป็นยังไงตาเห็นอย่างนั้นอย่าดูจิตเหมือนตาเห็นรูปก็คือจิตเป็นยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นนะจิตโลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านจิตหดถู่ก็รู้จิตสุขจิตทุกก็รู้รู้อย่างที่เขาเป็นไปด้วนี่แหละทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะจะได้เห็นโอ้จิตทุกชนิดทั้งดีและชั่วทั้งสุขและทุกตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ ถ้านตัวอย่างนี้นะก็ดูจิตดูเป็นส่วนการทําจิตให้นิ่งให้ว่างคือการสร้างพบเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีเท่านั้นเองทาจิตให้ว่างๆใช้ไม่ได้บางคนบอกหลวงปู่ดูลสอนทําจิตให้ว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปลุงไม่แต่งหลวงปู่ดูลไม่ได้สอนอย่างนั้นตัวทำจิตให้ว่างเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนี้จงทํายานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูป นี่คือวิปัสสนากรรมฐานงั้นต้องระวังนะกระทั่งเรียนกับคนที่บอกว่าเรียนกับอาจารจากหลวงพู่ดูลนเรียนมาได้บางส่วนไม่เข้าใจทั้งหมดก็สอนไปเท่าทีาท่รู้บางคนก็นสอนแค่พุทโธบางคนก็นสอนทําจิตให้ว่างทําจิตให้ว่างเป็นอานเนชฌาพิสังขารเป็นความพรุงแต่งชนิดที่สาม ปัญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารเอนินชาพิสังขารใช้ไม่ได้ตัวพ่อ like ตัวแม cool. ่งมันคืออวิชชาต้องทำลายอวิชชาความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้กิจของทุกข์ไม่รู้กิจต่อสมุทัยไม่รู้กิจต่อนิโรธไม่รู้กิจต่อมรรคคือความไม่รู้มีแปดอันในเรื่องของอริยสัจ ไม่รู้ทุกคือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือทุกเราไม่เคยเห็นเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายังไม่เคยเห็นเลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์เห็นแค่ทุกข์บ้างสุขบ้างต้องทำอิปัสสนาเราถึงจะเห็นพอเห็นว่ามันทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปตัวนั้นแหละถึงจะวาง วางกายวางใจลงไปวางกายกเป็นรนาคาวางจิตลงไปเป็นพระราหันดูไปฝึกไปทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปแล้วมันจะตัดขั้นสุดท้ายได้ไปกินข้าวไปนิมนต์หนึ่งครั้วันนี้ทำไมเทศแปลกปกติไม่ค่อยเล่าได้แต่การเกิดของจักรวาล ลราแบบพวกเราฟุ้งง่ายแต่ต้องลงด้วยอริยสัจลงด้วยอริยสัจใจก็เดินต่อไปนิมนต์นะครับ